ไม่มีเจตนาไม่เป็นอาบัติอาบัติป ร, ราชิกเมื่อภิกษุต้องแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุเมื่อวานนี้ก็มีท่านหนึ่งที่ไปปลงอสุภาษศพที่โรงพยาบาลตารวจบังเอิญไปเห็นปัจจัยเขาตกอยู่นึกว่าเป็นของตัวเองตกหลน่นก็เลยเก็บเอามาไว้พอมาดูของตัวเองเอา้าวของเรายังอยู่ ก็เลยเอาไปคืนไว้แล้วก็สงสัยค้องใจตัวเองว่าเก็บของตกเนี่ยเป็นอาบัตหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าของนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของที่ตกอยู่ของตกหล่นซึ่งเป็นของมีค่าเจ้าของเขายังาะไรในสิ่งของของเขาถ้าพระภิกษุไปเก็บต้องอาบัตตามราคาของสิ่งของถ้ามีราคาต่ำกว่าหนึ่งบาทต้องอาบัตทุนลัดใจ ถ้าหากว่ามีราคามากกว่า1บาทคือมากกว่า5ามาศมาศหนึ่งย่สตาง20สสตางห้าหนเป็น1บาทสมัยโบราณท่านเปรียบเทียบกับทองคำหนักเท่ า, มาเมล็ดข้าเปลือกแล้วก็เทียบออกมาเป็นเงินตราเป็นราคา1บาทถ้าสิ่งของเหล่านั้นไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีข้อสงสัยว่าจะเป็นของเราประยิบเอาโดยเจตนาก็เป็นอาบัต ถ้าของนั้นเกินราคาหนึ่งบาทขึ้นไปก็เป็นอาบัติปาราชิกแต่ว่าท่านผู้ที่เก็บเงินตกได้นึกว่าเป็นของตัวเองตกหล่นก็เลยเก็บมาพอมาสงสัยว่าผมจะเป็นอาบาัติไหมเพราะในเมื่อมาดูของตัวเองแล้วของเรายังอยู่จึงเข้าใจว่าของนั้นเป็นของคนอื่นที่ทำตกเอาไว้ก็เลยเอาไปคืนเขานี่ในลนักษณะอย่างนี้เราไม่มีเจตานา เราไม่มีเจตนาที่จะไปหยิบเอาของของเขาแต่เราเข้าใจว่าเป็นของของเขาไม่เป็นอาบัตเป็นอาบัตเฉพาะจับเงินจับทองเป็นอาบัตนิสักคยปาจิตตีรับเงินทองด้วยมือตัวเองเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นกับหลวงพ่อปากกาอยู่ในย่ามปากกาด้ามนั้นมันราคา3า0รบาทปารเกอร์สมัยก่อนเอาใส่ย่ามแล้วก็เดินไปในเมือง ย่ามสมัยก่อนมันไม่มีถุงเล็กถุงน้อยเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็เสียบเกาะปากยามเวลาดึงเอาของของมันก็มาเกาะเอาปากกาหลุดหล่นไม่รู้ตัวจนกระทั่งเข้าไปทําธุระในเมืองหลายชั่วโมงกลับมาแล้วก็เห็นปากกาตกหล่นก่อนที่จะหยิบก็ค้นหาปากกาในยามของตัวเองมันไม่มีแล้วมองดูปากกาที่ตกอยู่นั่นมันรูปร่างลักษณะก็เหมือนของเราและยังแถมมีสลักชื่อด้วยก็เลยหยิบขึ้นมาดู แต่ถ้าหยิบขึ้นมาดูแล้วไม่เห็นชื่อเราก็ต้องวางไว้ที่เดิมในลักษณะอย่างเนี้ยไม่เป็นอาบัต